Book 2ูเจ็ดสิบขอร้องให้ทาอะไรบางอย่างตช์เพอ คุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับอ m u n d ter mibrisne floket. a อย่าให้สั้นเกินไปนะครับ Yo s u มช k u r t ylutan. Yo s u สั้นอีกนิดนะครับ a ักมช k u r t ylutan. Ak m a ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมครับ a d i i r a Amund t h i l o n i fotografit? รูปอยู่ในซีดีครับ fotografit j a n d a i n a รูปอยู่ในกล้องครับ ฟ o t o g r a f i ตยานาคัมเมราฟอทโกราฟิตยานานาคัม r มราช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับอมุรกระจกตกกดอตออสือ แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่อึศบชแบตเตอรี่อึศบชช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับอมงต่าเฮกโรสในคมิชชั่นอมงต่าเฮกโรสนคอมมิชชันช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับอมงตพาสโตรนพัน สตร pantalonat ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับอมุทริร์โ a p u c e t a p u c e t ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับอมุนต์ไม่เห็นปนผ้ตระเนร คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับอคีนิสครับเซอเซจักรัมักคุณมีที่เขียบุรีไหมครับอคีนิทาวล์ตูฮา i ีอคีนิเนทานคุณสูบซิก้าไหมครับอ <P> คุณสูบบุหรี่ไหมครับอปิณิชกาเรอปิณิชกาเรคุณสูบปไหมครับอปิณิเมลูอเมลู